ด้วยศรัทธาด้วยศรัทธาในองค์พระทรงศีลไทยทุกถิ่นจึงพร้อมน้อมถวายทั้งทรัพย์สินเงินทองของนอกกายไม่เสียดายกับหยาดเหงื่อเพื่อบูชาในวันนี้เวลานี้เรามีท่านควรร่วมกันรินน้ำใจ ไทยอาสาได้ร่วมบุญยิ่งใหญ่กว่าใดมาช่วยพัฒนาชาติเชื้นอหน่อเนื้อไทยเมื่อมาพบจึงซึ้งถึงคุณท่านตั้งใจมั่นไม่แบ่งฝากภาคไหนๆที่ท่านทำทุกวันนี้นี่เพื่อใครก็เพื่อไทยทั้งมวลล้วนผูกพัน โปรดเข้ามาด้วยรักสมัครสมาน ร, ร่วมบุญทานงานกุศลผลสร้างสรรค์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบกันเมืองไทยนั้นจะรุ่งเรืองเป็นเมืองทองหลวงตาและบารมีที่ท่านสร้างคือแบบอย่างพิมใจไทยทั้งผอง รวมศรัทธาสามัคคีที่ปลองดองเพื่อเป็นของขวัญถวายให้หลวงตาบทกลอนโดยอรวินคำปัญญา20กรกฎาคมพุทธศักราชสองพัรา